คำกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐคำกล่าวนี้นะยังไม่ครบทวนนะมนุษย์เราจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้นี่ต้องมีการฝึกฝนมนุษย์เรานี่ถ้าไม่ฝึกฝนเนี่ยมันเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้โดยเพราะการฝึกฝนจิตใจนะถ้าไม่ฝึกฝนไม่ขัดเปลา ก็อาจจะทําความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าสร้างความพยนักยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอย่างเช่นสงครามที่เกิดขึ้นสงครามโรคครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็อีกหลายครั้งมีคนตายกันไปสิบล้าน มีการเอาคนยิวไปเข้าค่ายกับกันลงควันตาย6ล้านคนอันนี้ไม่มีศัตร์ชนิดใดทาได้นอกจากคนาการที่คนทํางั้นได้นี่ก็เป็นเพราะาใช้เทคโนโลยีวิชาความรู้ไปในาทางที่ผิดอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้คือคนจิตใจให้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 มอในแง่ห <Morning S 2> นึ่งเนี่ยกากับใจนี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติที่ตรงข้ามกันก็ว่าได้ตายนี่มันมีน้ําหนักช่างตวงวัดได้เป็นกิโลกิโลจับต้องได้แต่ใจนี่มันไม่มีน้ําหนักจับต้องก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยคนว่า อยู่ที่สมองก็ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าใจอยู่ไหนแต่ว่ามันมีอยู่กายเนี่ยลิสัยของกายคือว่ามันชอบอยู่เฉยๆชอบนิ่งๆนะถ้าได้นั่งถ้าได้นอนเนี่ยกายจะชอมมากเลยจะใจนี่ตรงข้ามนะใจมันชอบนะทํ‑โน่นทนํานี่มันอยู่นิ่งไม่เป็นนะใจเนี่ย จะให้นิ่งนี่ก็เหมือนกับว่าทรมานมากไม่ต้องทำโน่นทํานี่สารพัดเะงั้นการฝึกกายนเนี่ยนะต่อ ก, การฝึกใจนี่จะว่าไปก็ไปตลอทางเหมือนกันเวลาจะฝึกกายก็ฝึกให้มันทำนะฝึกเช่นฝึกออกกำลังกายนะคนไม่ออกกาลังกายอยู่ไหนนั่งนิ่งนิ่ดูสารพัดหรือว่านั่งเฉยเฉยก็ต้องฝึกให้เ้า ทำโนะ่นทำ น, น, ทำนี่ออกกําลังกายเป็นต้นแต่ถ้าออกกาลังกายนี่ก็ร่างกายนี่ก็จะ แ, แยนะ่เดี๋ยวนี้ก็มีโรคมากมายที่เกิดจากการที่ไม่ออกกําลังกายเรียกว่าโรคขี้เกียจ น, นะเรียกวมๆกันโรคที่เกิดเพราะการไม่ออกกําลังกายโรคหัวใจโรคเบาหวานนะ อ, อจะเป็นโรค ม, มะเร็ง โ, โรคปวดเมื่อยอันนี้ก็เรียกลงเราว่าเกิดเป็นโรคขี้เกียจนะนการฝึกการือว่าต้องเขี่ยเขียนให้เขาออกกำลังกายส่วนการฝึกใจในี่ตรงข้ามนะต้องฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักนิงบ้าง <c oughs> เพราะว่าทำโน่นทำนี่สารพัดแล้วก็มักจะเอาความทุกข์มาใส่ตัว ให้เรื่องที่ควรจะลืมก็เก็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละไอ้เรื่องที่ไม่ควรคิดนะก็คิดไปคิดมาจาววววววววนววกวกวนคิดซ้ำคิดซ่ากินจนนอนไม่หลับนะคนที่นอนไม่หลับนี่รู้ดีเลยนะว่าจิตนี่มันทำโน่นทํานี่มันไม่ยอมอยู่นิ่งกายอยู่นิ่งแล้วแต่จิตไม่ยอมอยู่นิ่งการสุดจิตนี่ยคือการทําสิ่งที่ตรงข้ามกับนิสัยของมันก็คือว่าสุดให้มันนิ่งซะบ้าง แล้วเราก็รู้นะว่าไม่ว่าจะเป็นการเขี่ยเข็นให้กายออกกำลังก็ดีหรือว่าการฝึกจิตให้มันอยู่นิ่งก็ดีนะเรืน้แต่เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าทวนกระแสะความเคยชินของมันกายเนี่ยนะมันเพราะเห็นที่ว่าไม่ชอบทำอะไรนะมันก็เลยชอบวางวางจะให้มันแบกอะไรมันไม่ชอบแบก การออกกำลังกายส่วนคือการที่ฝึกให้กายแบกเชแบกน้ําหนักยกน้ําหนักนะยิ่ ง, งยกน้ําหนักก็ยิ่งแข็งแรงนะแต่ใจนี่นะในสานที่การเนี่ยไม่ชอบแบกนะใจมันชอบแบกชอบแบกชอบยิบนะแบกเอาปัญหาสารพัดผ่านไปแล้วเรื่องเราผ่านไปแล้วก็ยังเก็บมาแบกเอาไว้ในเรื่องที่มาไม่ถึงก็แบกเอาไว้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 แต่ถ้าที่เราฝึกกายให้มันน่องแบกโน่นแบกนี่เพื่อให้มีพละงกำลังการฝึกใจให้ปล่อยให้วางเนี่ยกลับช่วยทําให้จิตไม่มีพวังนะมันแปลนะตรงข้ามนะร่างกายที่ต้องแบกต้องทำโน่ทนทํานี่มันจะมีความแข็งแรงมีเรื่องมีแรงมีกําลังวังชาแต่ใจเนี่ยนะมันต้องปล่อยต้องวางให้มากขึ้ น, น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 คนเราเนี่ยในขณะที่ใจเราเนี่ยนะมันแบบมันไม่ค่อยวางเท่าไหร่นะปัญหาของความทุกข์ของคนเราเนี่ยในจิตใจเนี่ยเกิดจากการที่เราจริตใจเราชอบแบบนะไม่ค่อยปลย่อยไม่ค่อยวางแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยปัญหาทางโลกที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ากายเนี่ยนะเวลามันวางเนี่ยมันวางไม่เป็นที่ คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหยิบอะไรนะั้นไม่ค่อยมีปัญหานะ่หยิบข้าวหยิบของนี่ไม่ค่อยมีปัญหาคือรู้ว่าจะหยิบอะไรยกเว้นคนที่มือไวอพวกนี้เนะี่ยอันนี้ก็หยิบโน่นหยิบนี่จนกระทั่งไม่รู้ตัวก็มีอันนี้ก็ยกไปพรเป็นคนกลุ่มน้อยประเภทมือไวนะเข้าไปในห้าเนี่ยในหยิบโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วในเวลาเราหยิบเนี่ยเรารู้ตัวเวลาเราถือเนี่ยเรารู้ตัว แต่ปัคือเวลาเราปล่อยเราวางเนี่ะเราวางของอ่ะเรามักจะมีปัญหาการวางของคือวางแล้วไม่รู้ว่าวางไว้ไหนนี่ยเราไม่รู้ว่าวางไว้ไหนปัญหาคนเราในชีวิตประจําวันเกิดจากการที่วางเรื่อยเปื่อยวางกุญแจบางลาเนีวางกระเป๋าเงินบางเวล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 พอไม่รู้ตัวลองดูดีๆนะมันมันมันตรงเองข้ากันนะไอ้กายเราเนี่ยมันวางมันวางของเดินไม่รู้ตัวแล้วก็เลยเกิดปัญหาส่วนใจเนี่ยมันชอบเป็นแบบอะไรต่ออะไรเดินไม่รู้ตัวฉั้นเวลาเราจะฝึกกายฝึกใจเนี่ยนะในด้านนี้ก็ต้องฝึกฝึกใจให้รู้จักวางบ้าง หรือว่าฝึกใจอย่าให้แบกอะไรผ้ามื่อเนะี่ยจะยดจะถืออะไรก็ให้รู้ตัวนะแล้วก็ถ้าวางได้เป็นดนะีแต่ว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องการวางก็ควรจะฝึกตั้งแต่เรื่องแบกนอะไรบ้างที่ควรแบกเช่นเวลาทำงานเนี่ยนะเวลาทางานใจเราก็อยู่กับงาน ส่วนใจเราก็อยู่กับงานข้างหน้านะส่วนงานที่รออยู่ที่ค้างคายอยู่มีกี่สิบชิ้นก็ยังไม่ต้องเก็บเอามาคิดยังไม่ต้องแบกมันหลายคนเนี่ยเวลาทำงานเนี่งานที่กำลังทำอยู่ก็ยากอยู่แล้วนะก็ยังไปพ่วงกังวลถึงงานอีกเจ็ดแปดชิ้นที่รออยู่นะักศึกษาก็เหมือนกันโอ้ ทำรายงานทําไปภูม้มไปไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่กาลังทํานี่มันยากแต่เพราะว่ามันมีอีกเจ็ดแปดชิ้นที่รออยู่อันนี้เรวด แ, แบกแบกโดยเม่รู้ตัวแล้วเป็นงานทุกเครียดท้อนั่นคือความทุกข์ใจที่เกิดจากการแบกโดยไม่รู้ตัวใจนะ่ยแบกไม่รู้ตัวแต่ปัญหาด้านก็เกิดจากการที่มือเราเนี่ยมันวาง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 ถ้าบ้านไม่มีอะไรนะหรือทัพย์สมบัติไม่กี่อย่างเนี่ยมันหาง่ายถึงแม้ว่าจะวางโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแต่เวลาจะหาเนี่ยก็จะหาง่ายแต่เด่นนี่ของก็เยอะนะแล้วบ้านก็รกนะถึงเวลาจะหาก็ไม่รู้จะหาตรงไหนเพราะจําไม่ได้ว่าวางไว้ตรงไหนนี่นี่เวลาเราจะวางของเราก็วางกันหมดสักหน่อยแนละ้วว่าจะวางก่อนจะวางช้อนวาง วางกระเป๋าวางนาฬิการหรือว่าวางเสื้อผ้าหรือว่าภาชนะตัวเนี่ยก็อย่าเพิ่งทำไปโดยอัตโนมัติตออกําหนดสักหน่อยลองเชา้าลงสักนิดแล้วก็วางมันจะเป็นวิธีการฝึกสติได้มากทีเดียว น, นอกเหนือจากการที่ช่วยทําให้ปัญหาในชียยวิตประจำวันของเราน้อยลงจากการที่หาเ้าหาของไม่เจอถ้าทำแบบบ่อยเนี่ยนะเราจะจะหาของแล้วก็นึกนได้ว่าวางไว้ที่ไหน แล้วก็เป็นการฝึกสติด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าเวลา <c oughs> เราวางแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีสติกับการวางและวันหนึงเนี่ยเราวางของกี่ครั้งนะถ้านับดูนะโหมีเป็นร้อยนะวางปากกาวางนาฬิกาวางช้อนวางซ่อม น, นะวางสบู่แค่จากการฝึกให้มีสติในการวางนะโอ้มันก็สร้างตัวรู้ขึ้นมารู้รู้รู้ร สราวามรู้สึกตัวขึ้นมาได้เยอะนี่เรกว่าฝึกสติด้วยการวางของอย่างมีสติอย่างให้เป็นที่ส่วนใจเนี่ยก็ต้องฝึกนะว่าให้รู้จับแบกให้รู้จับยึดให้รู้จับถือเนี่ยนะอย่างรู้ตัวสักหน่อ ย, เ, ยเวลาจะจะทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่บสิ่งนั้นนะเดี๋ยวเพิ่งไปถืออะไรมากมาย จะพึ่ไปแบกอะไรมากมายเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างอันเนี้ยนะมันเป็นการวิธีมันเป็นวิธีฝึกใจได้ดีถ้าเราพิจารณาเรงการปฏิบัติเนี่ยดเดยวข้อการฝุกใจเนี่ยมันก็คือการทวนกระแสความเคยชินใจมันชอบคิดสารพัดแล้วก็ฝึกให้มันรู้จักวางบ้างหบิดคิดบ้างใจมันชอบทำโน่นทํานี่ก็ฝึกให้มันนิ่งๆบ้าง ใจมันชอบแบกชอบยึดก็ฝึกให้มันวางแ้การเจริญสติเนี่ยนะสาระหรือแก่นแท้มันก็คือฝึกให้รู้จักวางที่แรกวางด้วยสตินะคือที่ไปยึดที่ไปแบกเนพราะไม่รู้ตัวพอมีสติปุ๊บมันวางเลยอย่างเช่นปราสังเกตว่มาเวลาเราเจินเดินจงกรมสร้างจังหวะโอ้มันคิดสารพัดเย่ยคิดไปเรื่องเป็นลาน้เรียกว่ายึดอันนะนะ จินไปยึดเอาไว้แล้วมันก็ปรุงต่อไปพอเรามีสติรู้ทันว่าเราเปิดคิดไปนะมันวางได้เองเลยนะแต่สักประเดี๋ยวเดี ย, ดยมันาคิดต่อนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่เราคิดนี่มันมีกําลังมันมีแรงแต่ว่าสติเรายังอ่อนเหมือนกับรถที่กําลังวิ่งเร็วๆ เ, เนี่ยนะเราแตะเบรกครั้งเดียวเนี่ยมันมันชะงักขึ้นหน่อยแล้วมันก็ไปต่อนะเราต้องแตะเบรกหลายครั้ง บางครั้งในสิ่งที่เราคิดเรื่องที่เราคิดอ้โหมันมันมีเรื่องอารมณ์ผูกพันเข้ามามากมันก็เลยคิดนะมีมีเรื่องมีราในการคิดมากมันเกิดโมเมนตัมสติ อ, อ่อนๆเนี่ยจะยังชะลอมไม่ได้แต่เบรกมันไม่ได้แค่ชะลอนะแต่ว่าถ้าเรามีถ้าเรามีสติรู้บ่อยรู้บ่อยรู้บ่อยๆนี่มันก็จะทําให้มันหิุดลงได้หรือว่าวางลงมันไม่ใช่ในการห้ามคิดนะแต่มันเป็นแค่การการวางความคิด อันนี้เป็นการฝึกให้หวางที่แรกวางด้วยสตินะต่อไปเนี่ยมันจะวางด้วยปัญญานะคือปัญญาที่เห็นว่ามันไม่เห็น ไ, ไม่มีอะไรที่คิดมันถือมั่นได้ลยสักอย่างบางทีเราเสียดายของนะเงินของที่หายเงินที่ถูกโกงนะแล้วเราก็คุณคิดถึงมันอยู่ได้หละแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญญาเห็นว่าโอ้ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่าง อย่างที่เราสอนเมื่อสักทีเมื่อสักครู่เนี่ยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนืยนนเป็นสิ่งที่เป็นทุกที่ตลงนั่นแหละเป็นทารของพระนิพพานเป็นธรรมบทตัคือพอเห็นด้วยปัญญานี่มันก็จะวางได้เองที่จริงเนี่ยจะเรียกว่าวางก็ไได้ก็คือมันมันไม่ยึดนะมันไม่รู้มันรู้ว่ายึดไม่ได้และไม่น่ายึดเลยก็มันก็ไม่ยึด เมื่อม่คิด ก, ก็ไม่มีความจเป็นต้องวางว่าการเจริญสติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอขั้นไหนก็ตามเนี่ยถ้าทําถูกนะี่มันจะช่วยทําให้ใจเราวางจะมีนิสัยที่วางได้ง่ายนะไม่ใช่วางแต่เพื่พินนะถึงเวลาจะคิดมันก็คิดได้ถึงเวลาจะใคร่ครวญล้วก็จิต ม, มันก็มันก็ว่ า, วาเอาสิ่งเอาสิ่งที่ เอาสิ่งที่จะเอาสิ่งที่จะมาศึกษาพิจารณาเนี่ยเหมือนกับว่าเราถือเราถือของอยู่ในมือเนี่ยเราก็ดูมันนะเวลาเราจะดูละักอย่างเช่นดูของเนี่ยเราก็ถือไว้ในมือแล้วเราก็หมุนไปรอบๆดูมันไปรอ บ, รอบๆนะอันนี้แปลว่าเนี่ยเรากาลังถือมันเพื่อพิจารณาถึงเวลาที่จะใช้จิตทํางานเพื่อพิจารณาอะไรเนี่ยนะมันก็จะพิจารณาได้ไม่ชอบปล่อยแต่พื้นตื้นนะ เวลาคิดเรื่องงานเรื่องการเราคิดได้คิดได้รอบด้านเหมือนกับเราดูของรอบด้านแต่ถึงเวลาเราจะวาง เ, เช่นพอเสร็จงานแล้วเราจะวางเรื่องงานเรื่องการเราก็วางไดนะ้มันคิดต่อเมื่อตั้งใจคิดแล้วก็มันจะวางได้เมื่อเสร็จกิจนะี่การภาวนาเนี่ยการเจริญสติเนี่ย ม, มันช่วยให้เรามีนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยใหม่ นะไม่ใช่แบบจะพึ่งคือตนวางไม่เป็นนถะึงเวลาเราจะวางเราก็วางได้ที่สายอย่างหนึ่งของจิตนะที่ม่าจะเป็นปัญหาคือว่าชอบสมชอบหม อ, อไปข้างนอกตัวมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มองไปข้างนอกอย่างเดียวนะจนกระทั่งลืมกลับเข้ามาดูข้างในนะมีปัญหาอะไรเนี่ย เอก็จะมองไปข้างนอกถือโทษสิ่งนอกหลวงพ่ชาในท่านพูดว่าเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันนั้นนะเวลาเอามือล้วงเข้าไปในหลุมนะันนะถ้าล้วงไม่ถึงนะไม่ถึงก้นหลุมนะก็มักจะพูดว่าหลุมมันลึกแต่ไม่เคยไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเออแขนเรามันสั้นใช่ไหมเรามักโทษว่าหลุมลึกแต่ไม่เคยมีใครโทษว่าหลักแขนเรามันสั้นนะ อันนี้นสะทอ้อนวิธีคิดของคนนะหรือว่านิสัยของคนกนะ็คือไปเพ่งข้างนอกไปโทษข้างนอกตามปฏิบัติคือการที่กลับมาดูใจกลับมาดูตัวเองมันมีเรื่องเล่านะอันนี้เป็นเกิดประวัติของท่านเบยหลานะเมื่อสองปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปวัดดวงเสี่ยวกับคุณหมอตัวแล้วก็อีกหลายคน วันนี้เนี่ยมีชื่อมากเพราะว่าเมื่อประมาณพัน0ท่าไรปีที่แล้วท่านประมาณนั้นนะท่านโดยหลังได้ได้มาที่วัดนี้ตอนนั้ น, นยังเป็นค า, ารวาสอยู่แต่ว่ากูมาทำเนี่ยเป็นที่ยอมรับของอาจารย์นะจึงกับยกตำแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่หกให้แต่ว่าท่านก็ต้องหนีหนีภัยนะ ก็มาที่กวางโจ้เนี่ยก็มาที่วัดกลมเซี่ยวตอนที่มาถึงนี่ก็กำลังมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านคนก็แน่นศาลาเลยนะลออกมาข้างนอกรหว่าที่อาจารย์แสดงธรรมเนี่ยก็บังเอิญคนที่อยู่ข้างนอก น, นี่ก็เห็นธงมันไหวมันฟิวก็มีคนก็พูด้ว่าเอาเอธงมันไหวนะอีกคนหนึ่งเฉียงนะไม่ใช่ธงไหวนะลมมันไหวต่างหากทีแรกก็เฉียงนัน หน่ตอนหนึ่งนะตอนหลังก็มีคนมาร่วมเถียงกันเยอะโต้เทียงกันแต่และคนก็มีเหตุผลแต่และฝ่าย ก, ก็มีเหตุผลนะทงไหวอีกฝ่ายก็ว่าลมมันไหวแล้วก็เถียงไปถึงมาคนก็แบบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่โต้ไม่ใช่แค่โต้แนละ้วหรือเทียงแล้วมันเริ่มจทนะทนะเลาะแล้ลงกันไม่ได้สักทีว่าตกลงท ง, ทงไหวลมไหว ตัวๆก็มีเสียงดังมาจังท่านเวลาเนยใจท่านนั้นหาที่ไหวคนที่ได้สติเลยนะได้สติเลยคือตอนนั้นเนี่ยลืมดูใจนะไปเฉียงกันนั้นว่าทงไหวหรือลมไหวลืมดูใจว่าตอนนั้นใจยังกรพื่อมใจนี่มันการจะโกรธนะแต่ไม่ได้วยความโกรธไปเฉียงว่าลมไหวหรือทงไหวมีประโยชน์อะไรนะถ้าหากว่าไม่รู้ว่าใจไหวไม่รู้ว่าใจกําลังมีโทสะ เนี่ ย, ยสิ่งที่ท่านวิลังพูดเนี่ยมันมันเป็นการเกื้อใจให้คนเราเนี่ยหันกลับมาดูใจนะอย่าไปส่งจิตออกนอกนะจนกระทั่งลืมตัวให้กลับมาดูใจนะเนีเป็นเพราะเราไม่ค่อยดูใจเนี่ยนะเราถึงเราถึงมีความทุกข์ได้ง่ายและพอมีความทุกข์แล้วเราก็จะโทษโทษสิ่งนอกตัว ทำไมรถมันติดอย่างนี้วันอาทิตย์ก็ยังติดเลยโมโหแต่ถ้าเราฝึกใจดีนะัเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราโกรธทําไมเราโมโหทําไมพอารถติดทําไมเราต้องโกรธเพราะรถติดด้วยหลายคนมักจะโกรธ ว, ว่าเขาไม่เข้าใจเราเลยเ้าไม่เข้าใจฉันเลยนะ แล้วเราเคยถามตัวเองว่าเราหลอกเข้าใจเขาหรเปลา่าหรือว่าเราเข้าใจตัวเราเองบ้างไหมแนวที่เราเรียกร้องให้คนเข้าใจเราเนี่ยเราเข้าใจตัวเราเองบ้างหรือเปล่าเราอยากให้คนรู้ใจเราแล้วเขาไม่รู้ใจเลยทําไมเขาทาแบบนี้แล้วเราถามตัวเองว่าบ้างหรือเปล่าว่าเรารู้ใจตัวเองบ้างไหมเรามักจะโบนวน่าเนี่ยทาไมเขาพูดอย่างนี้ พูดอย่างนี้ได้ยังไงนะแต่เราเคยถามเคยท้วงตัวเองไม่ว่าเออทำไมถึงต้องโกรธเพียงเพราะคำพูดแบบนี้ของเขานะถ้าเราลองถามด้วยการท้วงตัวเองบ้างนะเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรมันไอท้ที่ไอ้ที่โกรธที่ที่โมโหเนี่ยนะมันไม่ใช่ใครเป็นแต่เนเพราะเรานะ แต่เป็นพ่อเราไม่ค่อยท้วงไม่ค่อยทักตัวเราเองพอมีความทุกข์ก็ออกไปโทษคนนั้นคนนี้ฝนตกก็โมโหนะทําไมฝนตกไม่เป็นเวลาแต่ถ้าเราลองถามตัวเองว่าเออทําไมต้องไปทุกข์พราะฝนตกไม่เป็นเวลาด้วยเลเพราะว่าหลายครั้งในความทุกข์ของเรามันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะทุกข์นะ เราเรียกร้องคนอื่นตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเรียกร้องตัวเราเองเราเรียกร้องคนอื่นว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้ น, นนะเพราะทำเราจะทุกข์แต่เราไม่เคยเรียกร้องหรือทักทวงตัวเองว่าเออทําไมเราถึงทุกข์เพราะเหตุนั้นทํางไมเราจะไม่ทุกข์นะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะกลับมาดูใจของเราอยู่เรื่อยๆจะเพราะว่าไอความทุกข์ใจเนี่ยมันล้วนแล้ต่มีเกิดปัจจัยหลังที่ตัวเราอยูที่ใจของเรา เสียงดังไม่ทำให้เราทุกข์นะแต่โดยเฉพาะใจของเราต่างหากแทนที่จะโมโหหรือว่าววยวาย้วยทำไมถึงเปิดเสียงดังอย่างนี้เรามาถามตัวเองว่าเออทำไมเราต้องทุกนะข์เพราะเสียงแบบนั้นด้วยและเราจะพรว่าอ๋อที่เราทุกข์เนี่ยมันเพราะใจของเรา ไม่ใช่เพราะเสียงไม่มีใครข้ามือความสุขไปจากใจเราได้ถ้าใจเราไม่ไม่ร่วมมือหรือไม่เปิดทางอย่างที่บอกเวลานะเมื่อเมื่อเมื่อตรงวันนะว่าเมื่อใดที่เกิดการกระทบนะกระทบหรือว่าเกิดการเกิดผัสสะไนมะ่ว่าทางตาทางหูไม่ว่ารูปหรือเสียง เมื่อมันเมื่อเกิดการกระทบขึ้นแล้วก็มันหยุดอยู่ที่ตัวรู้นะมันก็ไม่มีทางที่จะกระเทือนมาถึงใจเราได้เห็นก็สัตว์ว่าเห็นได้ยินก็สัตว์ว่าได้ยิ น, นเห็นก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าเห็นได้ได้ยินนะมันก็จะหยุดอยู่ตรงแค่นั้นแหละมันจะไม่พุ่งเข้ามากระแทกใจเรา แต่เพราะว่ามันไม่มีตัวรู้เนี่ยไปไปรับมือนะเมื่อเกิดพัฒนาขึ้นมามันก็เลยแตกแทกอันนี้เรียกว่าใจเราเปิดช่องนะเปิดช่องให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตบมือข้างเดียวไม่ดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือข้างเดียวข้างเดียวไม่ดังเป็นสํานวนแปล ว, ว่าทําฝ่ายเดียวไม่เกิดผลหรือว่ามีเหตุปัจจัยเดียวเนี่ยย่อมไม่เกิดผล นะถ้ามีมือข้างเดียวเนี่ยเสียงมันไม่ดังเกดกว่าจะมีมือสองข้างถ้าฝ่ายหนึ่งดาอีกฝ่ายหนึ่งเงียบมันก็ไม่เกิดการทะเลาะ ก, กันต่อเมื่อฝ่ายนึงดา่าอีกฝ่ายมังก็เถียงด้วยนะมันก็เกิดการทะเลาะขึ้นมาใ น, นกรณีการเตะฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งเฉยนะไม่ไปต่อรอต่อเถียงมันก็ไม่ทุกนะ อย่างที่ได้เล่าในะที่หลวงพ่อพชาบอกว่ า, วานี่ยโยมโ ย, โยไมไ่คิดว่าเสียงมันรบกวนเราเแต่ที่จริงอะ่ะเราไป็รบกวนเสียงต่างหากความทุกข์เกิดขึ้นมาใจเนี่ยไปทะเลาะเบาแงกับเสียงพอใจไปทะเลาะเบาแงกับเสียงมันก็ทุกข์เลยถ้าเสียงมาแต่ใจไม่ไ ม, ไม่ทะเลาะด้วยนะั้นก็ไม่ทุกข์ใจในเวลาทุกข์ใจนี่ยไปโทษอย่าไปโทษเสียงนะต้องไปโทษว่าเออเราไปทะเลาะกับมันทํำไมใจเราเนี่ย ทะเลาะ ก, กับเสียงทํานมเมื่มอราตบมือข้าหนือไม่ดังเสียงมันจะดังแค่ไหนเสียงเกี้ยมันจะดังแค่ไหนถ้าแม่หูไปลองเกีย้ยวมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอันนี้หลวงปู่บุญดาท่านสอนเอาไว้ท่านเตือนลูกศิษย์ว่าเป็นพ่อหูไปลองเกี้ยวเองนะถึงจะทุกขนะ์เสียงไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ตัวกลางแต่เพราะใจต่าง ใจที่ไม่มีสติก็เลยเอาหูไปรองเกียดใจที่ไม่มีสติก็เลยไปทะลาะบอกแว้งกับเสียงนะให้เราลองทำใจให้นิ่งดูนะใจสงบดนะูอย่างที่บอกไว้แล้วว่าปัญหาธรรมชาติของใจเนี่ยมันมันมันไม่ชอบอยู่เฉยนะมันไม่ชอบอยู่เฉยมันชอบทำโน่นทานี่มีเสียงเกลียดมันก็เอาหูไปรองเกลียดมีเสียงดังก็เป็นทะลาะบอกแว้งกับเสียง แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นทุกข์นะแล้วถ้าเรารเป็นทให้ใจนิ่งนะใจนิ่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดความทุกข์ใจแต่ว่าธรรมชาติของใจอย่างที่บอกมันก็ชอบไปโต้เถียงชอบไปมีมีปฏิกิริยานะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่สัมผัสไม่ว่าลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารม เวลาปวดเวลาเมื่อยเหมือนกันนะการปวดมันเมื่อยก็ธรรมชาตของมันแต่ว่าใ จ, จไปสู้รถตกมือนะกับความเจ็บปวดมันก็เลยไม่ได้แค่ปว่วยกายก็ป่วยใจด้วยใจก็ทุกข์เกิดโทรศัท์ถ้าเพียงแต่ว่าใจเนี่ยฝึกใจให้มันดูเฉยๆกายจะปวดยังไงใจก็แค่ดูเฉยๆเนี่ยใจไม่ทุกข์นะใจไม่ทุกข์แต่ว่า ใจมันไม่ยอมดูเฉยๆใจมันจะเข้าไปร่วมวงด้วยมันจะไปร่วมทุกข์ด้วยมันจะจมทุกข์ด้วยอันนี้ก็แปลกนะเวลามือเราเนี่ยถูกของแหลนนะถูกไฟนะถูกถูกหนามเลนะมารีบถอนเลยนะมารีบถอนนิ้วถอนมือออกมาจากหนามจากไฟ แต่ว่าใจเนี่ยนะเวลามันถูกเวลามันเจอไฟโกรธนะไฟโกรธไฟเพรบานะั mm ้นโคมันมันคลุกคร่าวอยู่กับอยู่กับไฟนั่นแหละนะมันก็จะโกรธเป็นวันเป็นคืนทั้งที่โกรธนี่ทุกนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ยอมที่จะจะดึงจิตออกมาจากความโกรธนะขณะที่ร่างกายเนี่ย ไม่ต้องสั่งมันทำทันทีโดนไฟโดนน้ําร้อนนะโดนน้ำเนี่ยไม่ว่าที่มือที่ท่าเนี่ยมันรีดถอนทันทีเลยแต่ใจนี่มันจับเข้าไปคุกคราดด้วยความเมาเนี่ยด้วยความเมามันมันในอารมณ์เสร็จแล้วก็โทษคนนั้นคนนี้ว่าทําไมพูดอย่างนั้นทําไมทํากับเราอย่างนั้นแล้วเราปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับ ความทุกข์ความโศกความโกรธความแค้นทําไมทําแล้วมันได้อะไรนะความดังก็ขึ้นนอนก็ไม่หลับกินข้าวก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะเนี่ปัญหานี้มันจะไม่เกิด น, นะถ้าแต่ว่าเรากลับมาดูใจของเราแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะ้ก็จะเห็นว่าใจมันกำลังทำกำลังทำลายตัวเองกําลังซ้ําเติมตัวเองสติเนอร์ช่วยทําให้ใจเนี่ย ถอนออกมาจากไฟโทสะถอนออกมาจากความเศร้านะเคยสังเกตไหมเวลาคุณเศร้าเวลาเสียใจเนี่ยชอบฟังเพลงแบบไหนนะเพลงสนุกนะเพลงมาร์ชนะฟานะชอบฟังเพลงเศร้านะมันยิ่งคลุกเคล้าอยู่ในความเศร้ามันก็จะจงในหลุมแห่งความเศร้ามากขึ้นความปวดก็เหมือนกันนะยิ่งโกดธใครเราจะยิ่งถึงความไม่ดีของเขานะ ว่าจะเคยทําไม่ดีกับเราไม่กี่อย่างนะแล้วก็ผ่านไปหลายปีก็เจ็บปอะมาณคิดอย่างไรไอ้ความดีที่เขาทำนี่มีมากมายแนะไม่มองไม่เห็นแล้วพอยิ่งคิดยิ่งคุยก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแท้ยิ่งโรกรธแต่เราก็ไปโทษเขาว่าเป็นพ่อเขาเนี่ยทำให้เราทุกข์ให้การเจริญสตินี่นะการการภาวนาเนะี่ยคือการทวนกระแสนะทวนกระแสมิสยัย ความเผลอชินของจิตนะจิตมันชอบทํำนู่นทํานี่ก็ให้มันอยู่นิ่งบ้างให้มันอยู่นิ่งบ้างนะมันชอบแบกก็ให้มันวางมัางนะมันชอบส่นใจของนอกก็ให้กลับมาดูใจบ้างการปฏิบัติทำนี่คือการเปลี่ยนโหมดแล้วก็ว่าได้นะจำโหมดหรือความเผลอชินเดิมๆที่เราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยมันกลับนะร้อยแปดสิบองศาเลยนะ ความสุขที่เกิดจากการมีการได้การเสดเนี่ยความ ป, ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะพาเราไปพบ ก, กับความสุขอีกแบบคือความสุขที่เกิดจากการสลักไม่ใช่เกิดจากการได้ก า, มารมีการสะสมแต่แต่การสลักนั้นพิจารณาดูดีๆนะกาปรปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการการทวนกระแสการพลิกการเปลี่ยนโหมดความเคยชินของจิตมันไปคนละทางไปเล ย, เลย นะซึ่งมันทําให้เกิดนะเกิดการเปลี่ยนชีวิตได้นะพอพลิกจิตเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าปฏิบัติดาบไม่ยอมพลิกจิตเลยนะยังทำตามความไมชินเดิมๆนะและจะหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนอยีกยากมันต้องกล้ามันต้องใจถึงที่จะต้องพลิกนะเปลี่ยนทวนกระแสนะจิตมันชอบทําอะไรเนี่ยต้องพลิกไ ป, ไปทาง มันยิ่งเจ้าคิดเจ้าแค้นก็ยิ่งต้องเมตตาต้องให้อภัยมากขึ้นมันยิ่งเอาที่จะเอานีก็ยิ่งต้องสละยิ่งต้องให้มากกว่ายิ่งกว่าเดิมมันยิ่งแบบก็ยิ่งต้องปล่อยต้องวางมันยิ่งชอบท่องเที่ยวยิ่งต้องฝึกให้มันนิ่งมันยิ่งมันชอบหนีจากเล็บปอเจ็บตัวเองเท่าไหร่ยิ่งต้องฝึกให้มันอยู่กับตัวให้มากๆจะตามใจมันนะตามใจในทีจริงตามใจกิเลสมันเนี่ยแล้วก็ชีวิตก็จะไม่เปลี่ยน จิตใจก็จะไม่พัฒนาเลยน่นลู่กันท่านี้นะ